ด้วยความมั่นมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจข่มใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดีอันห่วงน้ำไม่มี มารังควานขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมส่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้รายการธรรมสุสันตินี้เป็นรายการธรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญ ที่จะให้การศึกษาอบรมธรรมะแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังเพื่อการสร้างพระในใจตนและสร้างพระในใจผู้อื่นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่สังคมโดยส่วนรวมสําหรับวันนี้ธรรมะที่จะนําเสนอสู่ท่านสาธุชนให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดุกจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่สาธุชนและเยาวชนควรที่จะได้รับฟังในเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วที่อาตมาได้นาเสนอสู่ท่านผู้ฟังเวลาของทางรายการ ก็หมดลงแต่รายการธรรมะหรือว่าธรรมะบรรยายเรื่องนี้ยังไม่จบวันนี้จึงข อ, อนาเสนอท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะในเรื่องเบญจศีนเบญจธรรมซึ่งเป็นคำบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องเบญจศีนเบญจธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ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 ถ้าไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจเพราะมันทุ่มเทลงไปมากถ้าได้ก็ต้องดูแลรักษาเกินเหตุใช้จ่ายไปในเรื่องที่ไรสาระมากกว่าที่เป็นเรื่องที่เป็นแก่นสารเป็นเรื่องที่มีสาระ เพราะฉะนั้นการดูแลต่างๆการประครบประงมทุกเรื่องที่ตนเองทะยานอยากได้มาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นไอ้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไอ้ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วทุกอย่างมันเป็นอนิจจังนี่ถ้ายึดมากมันก็เป็นทุกข์ขังเพราะว่าเดี๋ยวมันพลัดพรากจากเราไปเสียใจแล้วทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเป็นอนัตตานั่นแหละความทุกข์ ไม่รู้จักก็ได้แต่เสอกเสียใจเพราะฉะนั้นคนยิ่งในเมืองยิ่งจเจริญยิ่งเป็นโรคประสาทประสาทกินมากและไม่รู้จะทำยังไงแก้ไม่ตกทำใจให้สงบทำไม่เป็นทำไม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนตะเกียตะกายท้องกูท้องเมืองเตะทีบกันไม่รู้แลหละมั่วกันหมดทั้งสังคมฟังดูแล้วก็พิลึกกึกกือนี่ ที่หลงตาพูดนี่ไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาวิเคราะห์เอาวิเคราะห์เธอจะเห็นมากกว่านี้เพราะถ้าวิเคราะห์แล้วมันก็กระเทือนซางก็เลยพูดคำกลางๆเอาพูดเท่านี้เพราะพระพูดมากไม่ได้พูดได้เท่านี้ เ, เธอไปคิดเอาเอง ก, กันแล้วกันเอาเดี๋ยวนี้แหละเมืองไทยเรานี่ยแหละเธอลองคิดดูว่าการเมืองเป็นยังไงการเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงไล่แต่การเมืองเธอก็จะจุกตายแล้ว ผู้รู้ก็จะรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นกิเลสกิเลสนี่แก้ได้เนี่ยด้วยธรรมะปฏิบัติความทุกข์เดือดร้อนก็แก้ได้ด้วยธรรมะปฏิบัติความสุขและสันติในชีวิตก็แก้ได้ทําได้ด้วยธรรมะปฏิบัติคือตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่ว อย่างน้อยก็รักษาศีลละศีลห้าถ้าใครรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตนึชีวิตจะไปราบรื่นสวยมากทีเดียวถ้าใครรักษาไม่ได้ลาบากล่ะเช่นคนที่มีเจตนาปกติคิดร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประนีประศัยนั่นแหละทุกข์หนักล่ะต่อไป หรือคนขี้กบฏคดโกงลักช่อมีเล่กเทเพทุบายเอาตำแหน่งเอาอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายหมดปัดแข่งปัดขากันนั่นแหะมันกบฏคดโกงทั้งนั้นกะกบฏคดโกงเนี่ยไม่เฉพาะแต่เงินนะตำแหน่งแรงที่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นไม่ซื้อต่อไปเป็นทุกทุกทุกคนแหละไอ้ที่ทําอย่างนั้นไม่มีสุขหรอก คนเข้าใจถึงแก่นแล้วรู้ไม่สุขหรอกหรือประพฤติผิดในกามมั่วในกิเลสกามไม่รู้ละอะไรเป็นอะไรเดยกว่าไม่สํารวมในกามไม่มีสันโดษในคู่ครองของตนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อน เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อกันก็เหมือนกันและพระข้อสุดท้ายเสษสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเบียยาเสพติดทั้งหลายให้โทษทั้งสิ้นสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตมันสมองก็เสื่อม เศรษฐกษิจก็เสื่อมมันเสื่อมตามทำไมมันเสื่อมตามละ่ะสุขภาพกายมันเสื่อมสติปัญญามันก็เสื่อมเงินมันก็เสื่อมตามด้วยสติปัญญาเสื่อมด้วยคุณภาพในการทำงานหรือประสิทธิภาพในการทำงานมันก็เสื่อมเสื่อมการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ให้มันได้เป็นผลประโยชน์ขึ้นมาเป็นกำไรหรือเป็นไรายได้มามากๆมันก็เสื่อมนี่มันเสื่อมหมดมันพาเสื่อมหมดบุคลิกก็เสื่อมคนที่ติดสุรายาเมาเสื่อมบุคลิกดูไม่ได้จะหาหน้าตาผ่องใสไม่มีถ้าติดไอหนักหน่อยก็ผอมโกรกเลยเดินงีเซอ่อเลยดูไม่ได้ เหลืองเลยบางคนก็เหลืองแล้วแต่เรื่องที่มันจะไปในทางไหนเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นใครรักษาเพียงศีลห้าได้เป็นคนที่ข้อหนึ่งไม่เสื่อมไอ้ที่ว่านี้ไม่เสื่อมเต็มความสามารถทำมาหากินได้เท่าไรไม่เสื่อมเต็มความสามารถทีเดียวไม่เดือดร้อน ไม่ฉิบหายโทกทรกระซับมันก็ไม่จิบหายทรัพย์สินร่างกายก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ฉีบหายทางสิน้นขอให้มีศีลมีสัตว์อย่างเดียวถ้ามันจะมีบ้างก็ด้วยกรรมเก่าจากหนักก็เบาจากเบาก็เบาไปเลยแต่ไอ้กรรมใหม่ที่เราจะทำให้มันได้รับต่อๆไปในปัจจุบันในชาตินี่มันก็ไม่มีเรียกว่ามันดีละเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลาย จำไว้ให้รักษาศีลและชั่วโดยการรักษาศีลทำดีพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทำดีทำดียังไงอะไรที่มันดีๆทำแล้วมันเป็นคุณประโยชน์เป็นความสันติสุขและร่มเย็นเป็นความเจริญแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นทำลงไปอย่างนั้นเรียกว่าบุญกุศลไอ้ไอที่พูดมาที่แล้วเรียกว่าบาปอาคุล อันใหม่เรียกว่าบุญกุศลนั่นทำลงไปบุญกุศลง่ายๆทำอะไรบุญกุศลที่ง่ายๆทำยังไงนักเรียนเทียบศีลห้าลองเทียบดูสิเทียบดูเออข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีเพราะขาดเมตตาธรรม ในความดีคือมีความเมตตาปรานีต่อกันจำไว้นี่แหละข้อดีละทำเห็นอกเห็นใจกันเข้าอกเข้าใจกันไม่ตั้งแงใส่กันนี่อันหนึ่งละช่วยเหลือเจือจานกันนี่ข้อหนึ่งนะข้อที่สองฟังก่อนสิข้อที่สอง ความประพฤติไม่ดีเช่นกบฏคดโกงเราก็ปรปฏิบัติไอที่มัน ด, ดีคือการประกอบสัมมาอาชีวะทำอาชีพชอบอาชีพอะไรที่มันเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติตามศีลตามธรรมเราทำอะไรนี่ อย่างนี้แล้วนอกจากนั้นทําความดียิ่งไปกว่านั้นอีกให้รู้จักเสียสละกําลังกายกําลังสติปัญญาความสามารถก็ความดีที่ประเสริฐไปอีกก็ได้แก่การเสียสละกําลังกาย สติปัญญาความสามารถกำลังรั์ช่วยผู้อื่นไอความเสียสละอย่างนี้เขาเรียกว่าจากะหรือการบริจาคเรียกว่าทานทานทานผู้สนผู้สนแปลว่าคุณความดีบริจาคไปเป็นทานผู้สนหรือการเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่านิ่งดูได้เช่นว่าเรามาที่นี่เห็นอะไรมันรกปรุงรังควรจะช่วยทำความสะอาดทำห้องน้ำห้องส้วมช่วยทาดูแลที่อยู่ที่อาศัยต้นไม้ต้นไหนมันเหี่ยวมันเ้าก็ช่วยกันดูแลรถน้านี่เสียสละกําลังกายสติปัญญาความสามารถช่วยเหลือคนอื่น ผู้จัดนี่จัดรายการนี่เขาเสียสละนะเสียสละทุกคนพระภิกษุก็เสียสละสามเณรก็เสียสละครูบาอาจารย์ก็เสียสละคนอื่นก็เสียสละน่นแม่ครัวนุ่นเสียสละอยู่ข้างหลังในครัวนั่นเห็นไหมละ่ะนี่เป็นคุณความดีเรียกว่าจากะหรือคนที่เสียสละ ใจเงินทองเข้าของทรัพสมบัติทำนุบำรุงกิจการที่ดีบุคคลที่กำลังทำคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาิกาเป็นตน้นนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณความดีใครทำแล้วมีแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพสมบัติ คุณสมบัติรูปสมบัติและก็บริวารสมบัติเป็นต้นนี่อีกข้อหนึ่งตรงกันข้ามกับความผิดศีลข้อกามเมสุมิชฉาจารให้เป็นคนมีความสันโดษในคู่ครองของตนแล้วก็อย่ามั่วกิเลสกามเด็กสมัยใหม่ ไปเอาอนาริธรรมจากชาวต่างประเทศที่มันนำแต่ความทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตัวเองในบ้านปลายหรือแม้แต่ในระหว่างระหว่างตัวเองไม่รู้ชอบสนุกตามเขาไปเพลงดนตรีที่ไหนกระโดดโลดเต้นวิดว้กระตูวูดูไม่จืดดูเธอเหมือนคนบ้า สนุกไปก็แค่นั้นจบไปแล้วหายไปแล้วหมดเลออกมาจากโรงหน้าม่อยกลับบ้านสตังค์หมดแลเห็นไหมล่นะไม่รู้อะไรเป็นแก่นสารสาระเป็นหลงติดไอ้ของเหล่านี้มันจะมีอะไรเออว่ามันพอสมควรก็พอไปเถอะแต่บางคนนี่โอ้โ ห, โหมากมายกายกองนะพอได้ยินเสียงเพลงก็ต้องเต้นเป็นกิ้งกือถูกทีเท่า เหมือนกิ่งกือเหมือนใจเดือนเขาตัดเอาไปตกเบ็ดคลุกขี้เท่าเหมือนไม่มีผิดเลยดิ่นบิดไปบิดมาดูไม่ได้หรอกนั่นแหละยังก็ว่ามันโก้สะเต็มประดาแต่ให้ดูไปเถอะอาการของคนบ้าไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้น ไอเรื่องกิเลสกามความติดรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเนี่ยให้มันเบาๆบาน้อยให้มันเบาเบาน่อยเอาแต่พอสมควรไทยไทยเราเนี่ยดีหนักหนาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราสุภาพเรียบร้อยมีความสัมรวมในกามนั่นขนบรรมรำเนียมประเพณีไทยของเราแล้วก็พระพุทธศาสนาของเราใครอยู่ในกรอบนี้จะทุกน้อยที่สุด สุขอย่างเขาว่านะมันเหมือนไอ้ไอ้ไฟมันแลบแว บ, บหนึ่งก็หายไปไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรและสแสวงหาใหม่เท่านั้นเองทั้งปีจนตายไปก็ตายเปล่าไม่ได้อะไรได้ความหลงเหมือนคนบ้าติดตัวติดท่าธรรมไปไปเกิดใหม่แต่นี้หนักกว่าเก่าไปดูเถอะหนักๆเข้าก็อาตมา เดี๋ยวว่าไปเที่ยวบ้านเมืองเขาแล้วเอาของเขามาพูดไอ้ประเภทเหล่านี้ละทุกหนักเลยแหละหนักๆเข้าก็ติดพอมันมีมันมีนารีมันก็ต้องมีสุรายาเสพติดมันของกู่กันที่นี่แหละไปดูเถอะมันหนักๆเข้าไอ้เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ไปดูเถอะดูไม่ได้เลยเรียกว่าคนบ้าเมืองไทยบางทีมันยังเท่กว่า นั่นแหละท่าทางกิริยาอาการการแต่งตัวของเขาเดินไปก็สัญญ่นยึกยกึยกยักยักแล้วก็ทุเรศทุรังกาปะเหมาะ ก, ก็เผลอก็ขอเงินคนอื่นขอทานบางทีขอไม่ได้ก็ทำไร้ร่างกายเอาบ้างอะไรบ้างแล้วแต่มีในบางที่อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นส่วนที่ดีล่ะทำยังไงมีสติสัมปชัญญะที่หลงตาผู้ ให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าไปติดอบายามุก ค, คือเป็นนักเลงสุรายาเมาจะเมาที่บ้านเมาที่ไหนมันก็เมาด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าเมาแล้วมันก็บอกอยู่แล้วแล้วไอเมา เมานี่มันเท่ากันนะโทษนะสุราเบียไปจนถึงไอเฮโรอีนฟินกัญชานะ่ไม่ได้เกินกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอสุราเบียเลยยอมรับกันในสังคมที่แท้มันมีโทษพอๆกันไปดูเถอะทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตค่อยๆไปเรื่อยแล้วก็ทิศิสูงพวกติตดสุราเมรัย ทิฏฐิสูงรายไหนรายนั้นเหมือนกันหมดดือ้อทั้งทั้งที่รู้ดีรู้ชั่วไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ดื้อทำไปในทางที่ไม่ดีติดการพนันล่ะหนักเลยไฟไหม้บ้านก็ยังไม่เท่าติดการพนันเพราะบ้านก็หมดด้วยโจรปล้นก็ไม่เป็นไรบ้านยังเหลืออยู่ไฟไหม้บ้านหมดบ้านหมดทรัพย์สินที่ดินยังอยู่ การพนันหมดที่ดินด้วยดีไม่ดีขายลูกขายเมียเสร็จก็มีอย่างนี้ก็มีเรียกเสียมากติดเที่ยวกลางคืนเยอะไปติดไปแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรจะได้รับโทษก็ไปได้รับชอบไปเที่ยวกลางคืนประมาทบางคนก็รวยน้อยพ่อแม่ซื้อรถให้ ระเบิดเลยติดเครื่องเสียงเต็มนั่งนั่งขับรถก็ขับแบบประมาทคือนอนๆอนแต่งรถให้มันนอนๆอนหน่อยขับรถจะประมาทไม่ได้หนึ่งนาทีนะมันชนกันความเร็วมันบวกกันนี่มีอยู่รายหนึ่งพ่อแม่รวยตกกลางคืนก็พาเพื่อนไปเที่ยวพาเพื่อนไปท่ง ขากลับขับคนเดียวเปิดเครื่องเสียงดังสนั่นเพราะไม่รู้อะไรไี่ต่ออะไรมันเต็มรถข้ามทางรถไฟก็ขามไม่ทันรถไฟก็เลยชนตูมละเอียดเข้าไปเลยตายพ่อแม่ลูกคนรวยลูกคนเดียวนั่นแหละโทษทุกข์หรือไม่ก็ไฟก็ ไอ้พวกอันธพาลมันทะเลาะกันบ้างหรือมันมองเห็นตาก่นนึกว่าคอมเมนตกันบ้างอะไรบ้างก็ขากันตายแทงกันตายตีกันมีแต่โทษทางนั้นแหละติดเที่ยวกลางคืนปะเหมาะเขาทําอย่างอื่นไล่จับคนอื่นไอ้รารผลิบทานเข้าไปที่ไหนได้เราโดนเข้าไปด้วยอย่างนี้มันทุกข์ทางนั้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าให้ทําความดีนะนักเรียนทั้งหลายหนึ่ง ให้มีเมตตาปราณีต่อกันสองให้ประกอบสัมมาอาชีวะแล้วก็ให้มีการเสียสละสติปัญญาความสามารถกำลังกายหรือว่าทรัพย์สินเรียกว่าทานกุศลให้แก่ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างตามสมควร แล้วก็มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสํารวมในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกาย 4. มีสัจจะมีความจริงใจต่อกัน 5. ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีทางเจริญทางเสื่อมแล้วก็ไม่ติดอบายมุก เป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงการพ น, นันติดเที่ยวกลางคืนเป็นต้นใครละชั่วทำดีได้สองข้อนี่ประเสริฐขึ้นมาอีกเยอะจะมีชีวิตจะมีแต่ความสันติด้วยมีความสุขด้วยมีความเจริญด้วยและถ้าได้ปฏิบัติภาวนาทำสมาธิให้จิตใจผ่องใสให้เกิดปัญญาจะได้สติมีสติ มีความรู้สึกตัวเอาปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันให้สูงยิ่ ง, งขึ้นไปก็ประเสริฐยิ่งไปอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาบอกไว้สามประการแล้วให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสส่วนภาคทำใจให้ผ่องใสหลวงตาจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง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 เบญจะศีลเบญจะธรรมหลวงพ่อยังได้พูดถึงหลักหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําความดีให้ถึงพร้อมและการชําระจิตใจของเราให้ผ่องใสนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลวงพ่อท่านได้อธิบายขยายความสู่ท่านสาธุชนให้ได้รับฟังในแง่มุ่งของ ในแง่มุมของธรรมะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามรับฟังนั้นได้น้อมนําธรรมะที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระสําคัญนี้ไปพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนแล้วนํามาสู่คันลองของการปฏิบัติซึ่งจะปฏิบัติได้มากน้อยตามส่วนตามกําลังสติปัญญาความสามารถของเราก็นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ที่เราท่านทั้งหลายได้เริ่มลงมือในการกระทำคุณความดีเพราะชีวิตของเราสั้นนักโอกาสที่เราจะได้บาเพ็ญคุณงามความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นสาระสําคัญจันสารชีวิตจริงๆนั้นท่านสาธุชนลองตรวจ ด, ดูรอบๆข้างตัวเราในการดาเนินชีวิตของเราเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายของเราซิว่าตอนนี้เราได้ทำความดี มากน้อยเพียงไรแล้วความดีในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายประการพระองค์ตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เลือกศึกษาสัมมาปฏิบัติตามกำลังศรัทธาตามกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญบา ร, รมีของตนไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นแหละพระองค์ทรงวางแบบวางเนติแบบแผนเอาไว้แล้ว หลือแต่เหลือแต่เรานี่แหละจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพื่อเราจะได้พ้นไปจากทุกในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงนั่นเองวันนี้ทางรายการธรรมสู่สันติได้นำสารธรรมในส่วนของเบญจศีลเบญจธรรมมาฝากท่านผู้ฟังสาหรับ วันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ก่อนจากันอาตมาภาพข อ, อนำพุทธศาสน ส, สุภาษิตที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่ 33. ส4สุกุตการนิกายคาถาธรรมบทความว่าสัพพปาปัสสะอากการนังกุสละสูปสัมปธาสจิตตปริโยทปนัง เอตังพุทธานาสาสนังแปลความเป็นภาษาไทยว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายวันนี้ธรรมสู่สันติได้นำธรรมมาสู่ท่านสาธุชน ให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเพื่อทางสว่างแห่งปัญญาน้อมนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสําหรับวันนี้ก่อนจากกันขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัตยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิตการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร